ภาวนาคืออะไรภาวนาคือการทำให้มีขึ้นเป็นขึ้นการทำให้เกิดขึ้นการเจริญการบำเพ็ญภาวนาคือการฝึกอบรมตามหลักพระพุทธศาสนามีสองอย่างคือ 1. สมถาภาวนาฝึกอบรมจิตให้เกิดความสงบ2วิปสนาภาวนา ฝึกอบรมปัญญาให้เกิดความรู้เข้าใจตามเป็นจริงอีกในหนึ่งจัดเป็นสองเหมือนกันคือ 1. จิตตภาวนาการฝึกอบรมจิตใจให้เจริญงอกงามด้วยคุณธรรมมีความเข้มแข็งมั่นคงเปิดปานสงบสุขผ่องใสพร้อมด้วยความเพียรสติและสมาธิ 2. ปัญญาภาวนา การฝึกอบรมเจริญปัญญาให้รู้เท่าทันเข้าใจสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงจนมีจิตใจเป็นอิสระไม่ถูกครอบงำด้วยกิเลสและความทุกข์ภาวนาคือการเจริญสมาถากรรมฐานเพื่อให้เกิดสมาธิมีสามขั้นคือ 1. บริกรรมภาวนาภาวนาขั้นตรัสเตรียมคือกำหนดอารมณ์กรรมฐาน 2. อุปจารพภาวนาภาวนาขั้นโจรเจียนคือเกิดอุปจารสมาธิ 3. อั ป, ปนาภาวนาภาวนาขั้นแน่วแน่คือเกิดอัปปนาสมาธิเข้าถึงฌานภาวนาคือในภาษาไทยความหมายเลื่อนมาเป็นกลรนท่องบนหรือวาซ้าๆให้คลังก็มีหลวงพ่อตอบ การภาวนาคือการทำความเข้าใจคือการเจริญสติเข้าไปทาความเข้าใจกับการเกิดการดับของจิตของเราทำความเข้าใจหมดทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละให้รู้แจ้งเห็นจริงว่าอะไรคือสมมุติอะไรคือวิมุตติอะไรคือธรรมชาติทั้งภายนอกภายในให้รู้เห็นตามความเป็นจริงการเจริญภาวนา ไม่ใช่ว่าเราจะไปนั่งหลับตายอย่างเดียวเราต้องรู้จักหลักของการเจริญภาวนาว่าจุดหมายปลายทางอยู่ที่ไหนที่เราจะเดินเข้าไปให้ถึงเราต้องพยายามทำความเข้าใจให้รู้แจ้งเห็นจริงให้ได้จึงจะถึงจุดหมายปลายทางที่เราตั้งใจเอาไว้การเริ่มภาวนาก็เริ่มที่ตัวของเรานั่นแหละไม่ได้ไปเริ่มที่ไหนหรอกเรามีความพร้อมเมื่อไหร่ เราก็เริ่มได้ถ้าเราเข้าใจตั้งแต่ตื่นขึ้นมาถ้าเราจเจริญสติก็เป็นการจเจริญภาวนาอยู่ตลอดเวลายืนเดินนั่งนอนก็จะเป็นการจเจริญภาวนาอยู่ตลอดเวลาคำถามอุปมาการกินข้าวกับการปฏิบัติ ครูบาอาจารย์ท่านเคยสอนผมตอนที่สงสัยว่าไม่ต้องสงสัยทำไปเรื่อยๆแต่รามือไม่ได้แล้วจะรู้เองการปฏิบัติก็เหมือนกับการกินข้าวกินไปเรื่อยๆไม่ต้องอยากอิ่มมันก็อิ่มของมันเองหลวงพ่อตอบเป็นคำถามที่ดีเราทำไปเรื่อยๆหมายถึงว่า เราต้องสร้างสติระลึกรู้มันสังเกตไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่าเราคิดพิจารณาไปเรื่อยๆไม่ใช่อันนั้นมันเป็นปัญญาโลกีเราสร้างสติสังเกตระลึกรู้การเกิดการดับของจิตให้ทันเราระลึกรู้ไม่ทันตั้งแต่ต้นเหตุเราก็รู้จักดับรู้จักควบคุมจนกําลังสติของเรามีกําลังเพียงพอ จนสังเกตเห็นอาการของจิตที่เขาก่อตัวหรือว่าอาการของขันหที่เขาก่อตัวจิตของเราจะเคลื่อนเข้าไปรวมนั่นแหละถ้าเราสังเกตทันตรงนั้นจิตจะดีด ต, ตัวออกมาเองติดก็จะว่างโล่งโปรเราก็ตามดูการเกิดการดับของขัน5ซึ่งเรียกว่ารอบรู้ในกองสังขารเราจะรู้ตรงนั้น เข้าใจตรงนั้นวิปัสนาสัมมาทิฐิก็จะเปิดทางให้เราเองถ้ากำลังสติของเรามีเพียงพอทั้งที่เราไม่อยากจะดูไม่อยากจะรู้ไม่อยากจะเห็นแต่การสังเกตการวิเคราะห์ของเรามีเราก็จะเห็นเองถ้าถึงเวลานั้นอันนี้เราต้องทำความเข้าใจไม่ใช่ว่ามันจะดีดออกง่าย กำลังสติของเราต้องพยายามหัดสังเกตหัดวิเคราะห์ให้รู้เห็นลักษณะอาการของเขาจริงๆเขาถึงจะแยกออกจากกันได้ถ้าเราไม่มีกำลังสติเพียงพอก็ยากอยู่เหมือนกันเพราะว่ากิเลสมันต่างๆเขาก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆเหมือนกันพอเราเริ่มจะลงมือปุ๊บปั๊บเขาก็เล่นงานเราทันทีเราก็ต้องทั้งเจริญพรหมวิหาร จเจริญความเมตตาทุกสิ่งทุกอย่างต้องให้พร้อมมวลทั้งกำลังสติกำลังสมาธิการแยกแยะการสังเกตการวิเคราะห์ต้องอย่าให้พลาดสายตาของสติไปได้แม้กระเบียดนิ้วเดียวเลยทีเดียวเราก็ต้องพยายามจนทำให้เป็นอัตโนมัติส่วนสติของเราถ้ายังแยกรูปแยกนามไม่ได้กำลังสติของเราจะช้า ถ้าเราแยกรูปแยกนามได้แต่เราไม่ติดตามทําความเข้าใจจิตของเราก็จะซึมเข้าสู่สภาพเดิมอีกซึมเข้าสู่สภาวะเดิมกับขัน5้อีกเราต้องทําความเข้าใจกับจิตของเราให้เรียบร้อยเสียก่อนเราจะเข้าใจในเรื่องการดําเนินชีวิตของเราได้ดีทุกสิ่งทุกอย่างเราก็เอามาเป็นอาจารย์สอบอารมณ์เราเราก็จะเอาการเอางานทุกสิ่งทุกอย่าง มาเป็นการฝึกหัดปฏิบัติธรรมไปในตัวขณะทำการทำงานจิตของเราก็ได้พักผ่อนกายของเราก็ไม่เครียดจิตก็ไม่เครียดสนุกกับการกับงานถึงเวลานั้นเราก็จะเข้าใจเองคำถามผมได้รับการปลูกฝังให้มีการให้ทานรักษาศีลและภาวนาแต่ก็ยังทำได้ไม่ต่อเนื่อง ไม่สามารถชนะใจตัวเองโดยเฉพาะเรื่องความคิดเกียดได้ผมได้ฝึกพุทธโทแล้วเห็นตัวเองตอนตื่นว่าพุทธหรือโทเป็นบางครั้งแต่ไม่สามารถรู้ว่าตอนก่อนดับเป็นพุทธหรือโทช่วยแนะนำบันไดขั้นต่อไปในการภาวนาและทางแก้ความคิกเกียดด้วยครับหลวงพ่อตอบก็ดีแล้วที่รู้ว่าตัวเองขีเกียด รู้ว่าขี้เกียจก็เพิ่มความขยันหมั่นเพียรขึ้นไปอีกเราจะไปเร่งให้มันได้ดังใจเราเป็นไปไม่ได้เราก็ต้องพยายามขยันหมั่นเพียรไปทีละเล็กทีละน้อยแต่ละวันแต่ละวันเราได้สร้างสมคุณงามความดีอะไรไ้บ้างอะไรผิดพลาดเราก็รีบแก้ไขใหม่แก้ไขได้บ้างไม่ได้บ้างก็พยายามค่อยแก้ไขไปการเวลา ก็จะเป็นสิ่งที่พาไปถึงจุดหมายได้เองคำถามแล้วเหตุปัจจัยอะไรที่ทำให้การปฏิบัติเก้าหน้าหลวงพ่อตอบความขยันหมั่นเพียรความไม่ขี้เกียดคำถามอุสลบายอะไรที่ทำให้คนอยู่ในโลกสมมุติปฏิบัติธรรมได้อย่างต่อเนื่องหลวงพ่อตอบ เราต้องทำความเข้าใจกับโลกโลกกับธรรมก็อยู่ด้วยกันธรรมกับโลกก็อาศัยกันอยู่เราจะแยกจากกันไม่ได้เราต้องแยกด้วยสติแยกด้วยปัญญาถึงจะอยู่กับสมมุติอย่างอยู่ดีมีความสุขคำถามอยากได้วิธีการฝึกสมาธิตอนนี้สมาธิสั้นค่อนข้างจะบอกแวก อยากได้วิธีการฝึกสมาธิที่ได้ผลหลวงพ่อตอบสมาธิ เ, าเราสั้นเราก็พยายามรักษาให้มันยาวขึ้นสิมันก็จะยาวไปเองพลังเผลอเราก็เริ่มใหม่จากน้อยนยมันก็ไปหามากขึ้นมากขึ้นเองคำถามช่วยหน่อยเรื่องสมาธิเป็นอะไรไม่รู้ นั่งไม่ถึง5้านาทีรู้สึกว่ามันยังไม่นิ่งเลยแต่เหมือนกับว่าคล้ายๆดูทีวีแล้วตัวเราเข้าไปในทีวีเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆนั่งได้นานไม่ถึงสิบนาทีก็ต้องออกจากสมาธิเพราะว่ากลัวไม่กล้าตามไปดูว่าคืออะไรเป็นมาสักพักแล้วหลวงพ่อตอบพยายามทำไปเรื่อยๆพยายามฝืน พยายามดับความกลัวให้มันคลายให้มันผ่านพ้นความกลัวไปให้ได้ตรงนี้ก็จะคลายหายไปถ้าจิตคิดกังวลหรือคิดฟุ้งซ่านไปต่างๆเราก็ดับใช้สมถะเข้าไปดับฝืนไปสักพักหนึ่งไม่ต้องให้จิตปรุงแต่งไปถ้าเราดับได้ความกลัวก็จะหายไปความกล้าหาญก็จะเข้ามาแทนที่ดีแล้ว พยายามทำไปเรื่อยๆคำถามถ้ารู้ตัวว่าเรากำลังจะตายไม่ว่าจะเป็นด้วยโรคภัยไข้เจ็บหรืออาจจะโดนฆ่าเราควรทำจิตให้เป็นอย่างไรหลวงพ่อตอบเราก็เตรียมตัวตายสิก่อนจะตายเราก็ต้องรู้จักเตรียมตัวตายให้ได้เสียก่อนคนเราไม่รู้จักฝึกหัดปฏิบัติเตรียมตัวตาย ตั้งแต่ยังเป็นเป็นตั้งแต่มีกำลังอยู่ยังไม่ได้ฝึกหัดปฏิบัติยังไม่ได้เตรียมตัวถ้าเวลาจะตายจริงเราจะไปเตรียมทันไหมล่ะเราก็ต้องฝึกก่อนทำความเข้าใจก่อนก่อนที่จะถึงเวลานั้นคือเตรียมตัวตายนั่นแหละถ้าไม่ถึงเวลาก็ไม่ได้ตายถ้าเราจะตายก็พร้อมที่จะไปตลอดเวลากายเนื้อของเราแตกดับ แตจิตของเราไม่ตายตราบแต่ที่จิตยังเกิดอยู่ก็ต้องเกิดเราก็ต้องพยายามดูแลจิตควบคุมจิตของเราให้อยู่ในกองกุศลเอาไว้ตราบแต่ที่จิตของเราปล่อยวางยังไม่ได้การเตรียมจิตเราก็เตรียมไปตั้งแต่เล็กๆ เ, เนินๆนี่นแหละไม่ใช่ไปเตรียมเอาเฉพาะวันที่จะหมดลมหายใจเราก็ดูว่าจิตของเราเป็นกุศล หรือว่าอากุศลจิตของเรามีพรหมวิหารมีความเมตตาไหมมีความเสียสละมีความรับผิดชอบไหมรู้จักให้อภัยทานอโหสิกรรมไม่ใช่ว่าไปอักขติเพ่งโทษแต่คนอื่นเราพยายามแก้ไขปรับปรุงตัวเราอยู่ตลอดเวลาอะไรควรละอะไรควรเจริญมันยังไม่สายหรอกเรารู้ทําตอนไหนก็ไม่สายหรอก เรารู้ทำตอนหนุ่มตอนแก่แม้แต่คนจะหมดลมหายใจก็ยังมิสายถ้าคนรู้จักเตรียมตัวคำถา ม, ถามเกิดอะไรขึ้นกับจิตในขณะชมพระนเรสวนขออนุ ญ, ญาตเล่าประสบการณ์ขณะที่ไปชมภาพยนต์ตำนานสมเด็จพระนเรสวนมหาราชมีจิตไม่โกรธคนไทยที่แปรพัก ได้ข้อธรรมะเป็นระยะระยะได้แง่คิดในการปกครองคนสุดท้ายเป็นกุศ โ, โลบายให้คนไทยในปัจจุบันรักชาติมีความสามัคคีกันหลวงพ่อตอบดูหนังฟังเพลงก็เป็นการฟังธรรมหมดนั่นแหละถ้าคนเข้าใจถ้าจิตของเราเป็นธรรมเราไปดูหนังหนังก็จะเป็นอาจารย์สอบอารมณ์หนังเขาแสดงไม่ดี เราไปโกรธให้เขาไหมเขาแสดงดีเราไปหลงดีใจกับเขาไหมจิตใจของเราเป็นกลางไหมเห็นเราก็มองเห็นเออเขาแสดงดีเขาแสดงเข้ากับบทบาทดีแต่จิตใจของเราไปอินกับเขาไหมไปร้องไห้กับเขาไหมหรือว่าไปตื่นเต้นกับเขาไหมถ้าจิตใจของเรายังปกตินั่นแหละ ทุกสิ่งทุกอย่างก็ล้วนเป็นอาจารย์สอบเอาดมเราสอนเราเราก็จะได้ฟังธรรมไม่ใช่ว่าจะได้เฉพาะพระท่านพูดท่านเทศให้ฟังทุกสิ่งทุกอย่างก็ล้วนเป็นธรรมสอนเราได้ตลอดเวลารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสก็เป็นอาจารย์สอนเราได้ตลอดเวลาเราก็จะได้ฟังธรรมธรรมะของพระพุทธเจ้าได้ตลอดเวลา ทุกลมหายใจเข้าออกถ้าจิตของเราอยู่ในความว่างความสะอาดความบริสุทธิ์คำถา ม, ถามอ้าวอย่างนี้เวลาไปดูหนังก็ไม่สนุกแล้วจะไปดูทำไมดูหนังก็ไม่มันหลวงพ่อตอบก็มันสิอย่างนั้นไปกินมะนาวมันก็ไม่เปรี้ยวสิปล่อยวางแล้วไปกินเกลือเกลือก็ยังเค็มอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละ อร่อยก็อร่อยรับรู้ให้จิตของเรารับรู้มันก็ให้รับรู้ว่ามันสนุกก็ให้รับรู้ว่าสนุกแต่ไม่ให้จิตของเราไปปรุงไปแต่งร่วมเพียงแค่ให้เขารับรู้ถ้าเราจะเข้าไปร่วมด้วยก็ร่วมด้วยสติร่วมด้วยปัญญาให้จิตรับรู้แต่ไม่ให้จิตกระโดดเข้าไปลุยกับเขาเลยคำถาม สรุปแล้วอาการสนุกเป็นอาการทางกายหรือเปล่าหลวงพ่อตอบอาการทางกายเราต้องแยกแยะเรื่องส่วนของกายส่วนของจิตต้องมีสติเข้าไปดูเข้าไปรับรู้ให้จิตรับรู้ไม่ให้จิตของเราเข้าไปเป็นตัวบงการเข้าไปสั่งเข้าไปลุยถ้าดูแล้วอยากดูอีกก็ให้เปลี่ยนจากความอยากที่เกิดจากจิต ให้เป็นความต้องการของสติปัญญาให้จิตของเรานิ่งรับรู้เป็นความต้องการของสติปัญญาเข้าไปทำหน้าที่แทนทำถามแนะนำการระลึกรู้ลมหายใจปัจจุบันจะระลึกรู้ลมหายใจเข้าออกโดยมีคำบริกรรมคือพุทธเข้าออกโทรจะระลึกรู้ลมหายใจตลอดเมื่อมีสติ คือเม่ระลึกได้ทํางานไประลึกได้บ้างเผลอไปคิดบ้างมีบางขณะที่ระลึกรู้ลมหายใจนั้นเกิดอาการอึดอัดในอกบ้างมึนตืบๆที่ระหว่างคิ้วบริเวณหน้าผากบ้างทั้งตอนนั่งสมาธิและตอนที่ทํางานก็มีอาการเช่นว่านี้ไม่ทราบว่าปฏิบัติผิดอย่างไรหลวงพ่อตอบ มันก็ปฏิบัติถูกอยู่แต่ไม่ถูกเต็มร้อยยังไม่ถูกเต็มที่ที่ว่าเราระลึกได้เมื่อไหร่เราก็รีบดูบางทีสมองก็ตึงเพราะว่าเราเอาสติไปเพ่งไปจ้องเกินไปทำให้สมองตึงบางทีเราเอาจิตไปกำหนดไปจดจ่ออยู่ที่ลมหายใจเข้าออกหน้าอกก็แน่นเราพยายามสร้างความระลึกรู้ สร้างความรู้สึกตัวรู้สัมผัสของลมหายใจเข้าออกให้รับรู้ให้ต่อเนื่องกันเฉยๆไม่ใช่ว่าเราไปเพ่งหรือว่าไปจดไปจ้องถ้าส่วนการเพ่งนี้สมองจะตึงส่วนเอาจิตไปจดจอ น, นั้นหน้าอกจะแน่นการเจริญสติขอให้เราเจริญสติตั้งแต่ตื่นขึ้นมาตั้งแต่ยังไม่ลุกจากที่รู้กาย รู้ลมหายใจเข้าออกแล้วก็รู้ลักษณะของจิตถ้าเรายังแยกรูปแยกนามไม่ได้เราก็สร้างความรู้สึกตัวอยู่ที่การหายใจเข้าออกของเราความหมายของการเจริญสติก็เพื่อเข้าไปแยกรูปแยกนามถ้าเราแยกรูปแยกนามได้หรือว่ากำลังสติของเรามีเพียงพอก็จะรู้ลักษณะของจิตรู้ลักษณะของความคิด ถ้าเราไม่รู้ตรงนั้นเราก็รักษาสติอยู่กับกายของเราถูกแล้วละ่ะพยายามทำตําเนินไปเรื่อยๆถึงเวลาก็จะเข้าใจเรื่องการแยกรูปแยกนามได้เองทําถามถ้าเพ่งไปแล้วเวลาคลายจะคลายอย่างไรหลวงพ่อตอบก็เพียงแค่รู้สร้างความรู้สึก รับรู้เฉยๆเช่นเรา làm, ระลึกรู้การหายใจเข้าออกเวลาที่เราหายใจเข้าเราก็มีความรู้สึกว่าลมกระทบที่ปลายจมูกมีความรู้สึกรับรู้ว่าลมวิ่งเข้าเวลาที่ลมหายใจออกกระทบที่ปลายจมูกเราก็มีความรู้สึกรับรู้ว่าลมวิ่งออกเหมือนกับนายประตูทวารรถคับไหนวิ่งเข้าก็รู้ รถคันไหนวิ่งออกก็รู้ไม่ต้องตามไปถึงท้องก็ได้ดูรู้อยู่เพียงแค่ประตูหรือว่าปลายจมูกของเราก็พอถ้าเราเอาจิตไปจดจอหมายถึงเราเอาตัวจิตไปกำหนดอยู่ปลายจมูกของเราหน้าอกของเราก็แน่นเราก็ต้องพยายามคลายคลายสภาพร่างกายของเราไม่ต้องไปเกร็งร่างกายถ้าเราไปกำหนด หัวใจของเราก็แน่นจุกขึ้นมาตรงหน้าอกทันทีเราก็ต้องพยายามคลายกายตรงนี้ด้วยเราก็สร้างความรู้สึกลมวิ่งเข้าวิ่งออกก็รู้ถ้าจิตของเราคิดไปแล้วก็กระตุ้นความรู้สึกตรงนี้แรงๆจิตของเราก็จะกลับมาอยู่กับลมหายใจเองคำถา ม, ถ, ามถ้าเราศึกษาเรื่องจิตและสติจนเข้าใจ รัฝึกนั่งสมาธิไปเรื่อยๆขั้นตอนต่อไปคืออะไรหลวงพ่อตอบยืนเดินนั่งนอนเป็นแค่เพียงอิริยาบถเราอย่าไปเอาแต่เฉพาะอิริยาบถของการนั่งเราต้องฝึกให้ได้ทุกอิริยาบถตั้งแต่ตื่นขึ้นมาแล้วก็ให้จิตของเราว่างรับรู้ได้อยู่ทุกอิริยาบถกิเลส ต, ตัวไหนเราระได้เราก็รู้ ตัวไหนเราไลยังไม่ได้เราก็พยายามละพยายามให้จิตของเราสงบทุกสถานการณ์อยู่กลางโรงหนังกลางตลาดอยู่กลางกองเพลิงจิตของเราก็ต้องสงบปราศจากกิเลสคำถามตามดูใจด้วยสติเป็นอย่างไรหลวงพ่อตอบตามดูตามรู้ตามทําความเข้าใจ แล้วก็ค่อยละถ้าจิตเกิดกิเลส ก, ก็ค่อยละถ้าขันห้าเข้ามาก็ตามดูถ้าจิตจะเข้าไปร่วมก็รู้จักดับถ้าสติตามดูตรงนี้ถึงจะเป็นปัญญาได้เป็นปัญญาเข้าสู่วิปัสสนาได้ปัญญาถึงจะรอบในกองสังขารด้วย